กรตอดตัวเองคิดขึ้นมานอนไม่หลับคิดขึ้นมานำตาล่วงนำตาไหลคิดขึ้นมาแล้วโกรธความโกรธบังคับกับใส่เราให้แตกให้แยกกันมันบังคับเราเอารับเรารับใช่ความโกรธความโกรธมันร้ายมันก้าวเล่ามันดุร้ายแสดงออกในทางต่างๆ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 ก็เราไม่หลักเรามีหลักนะเรามีหลักนั่นก็ถือว่าบรรยากาศวัดพาสุโกโตโชคดีมากๆที่มีปัญญาชนหรือว่าปัญญาชนคณะครูอาจารย์โดยพ่อโรงเรียนสตรีเนี่ยเป็นคู่บ้านคู่เมืองของชัยภูมิของเราขอเพื่อพาใสาพวกเรามาช่วยกันมาช่วยกันสร้างคุณนัภาพคุณธรรมขึ้นมา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 ไม่ใช่ปฏิเสธเรื่องใดกลับมาลู้สึกตัวมันคิดก็ลู่เฉกตัวกลับมามันหลงไปก็กลับมาลู้มันทุกข์ก็กลับมาลู้อะไรที่มันแสดงออกทางกายทางกิตกลับมาลู่สึกตัวใดทางนั้นความลู่สึกตัวเป็นตัวเฉลยเรื่องของกายของกิตเฉลยได้หมดเลยเราหัดตรงนี้ก่อนนะไ่ใช่นั่งหลับตาไปลู่เลยมันง่าย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 สองชั้นมือขวาทับมือซ้ายวางบนตักตั้งกายให้ตรงมีสติหลับตาลงไปพุโทโธพุโทโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรบริกรรมลงไปมันสงบนิ่งมันไม่ความสุขใ <c oughs> นี่หลวงพอมาสอนในเคลื่อนไทยไหวมันปวดไหลปวดหลังปวดเดอวหมาสอนไทยเดินจงกรมมันยากมันลำบาก